อ่อรังกีย <c oughs> ขอขมีส่วนร่วมกับกลกเราปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนได้ออดขอแสดงความเห็น <c oughs> <c oughs>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 เงิทุกดาวที่มีอยู่กับกายกับใจเจไดนขั้งตอบขั้งกายชว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคนลตัวตนเราเขาสมัยก่อนเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นกูกูร้อนกูหนาวกูปวดกู่ายกูหิวกูเจ็บกูอะไรต่างๆแล้วก็กูพอใจกูไม่พอใจบนนันน่นดีกว่าอันนี้ดีกว่า ก็ไม่ไปอันดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เราจะรู้แม้มันจะมีหลายซ้อนเกิดขึ้นความคิดเกิดเป็นควงมโศกความพอใจก็รู้มันหลักดูมันหนโศกวันทุกข์เห็นมันโศกทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนพอใจไม่พอใจไม่ใช่ตัวใช่ตน <c oughs> เห็น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 สู้เปิดก็สู้ก็เลกิขึ้นสู้ตายเป็นตายตอนตาไม่มีค่าความฉะนั้นคือจุดหมายเห็นหลยก็ไม่เป็นกับมันเป็นจุดหมายที่ตั้งไว้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 เลือดเนื้องเงือเอ็นกระดูกกระปูพังก็ก็ตามต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รู้แจง้งในเรื่องกายเรื่องใจาตายลงตัวนี้ ต, ตัดเฉียงใจไม่หวั่นไหวเข้มแข็งมากมีสติเข้าไปอีกในความอ่อนแอบบมันไม่ความเข้มแข็งในความสุขมันไม่มีความมันไม่ไม่ไม่มีสุข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 ทัศนานุตตริยาเเห็นเนื่องนี้ที่ว่าทัศนานุตตริยาเห็นมันทุกเห็นแล้วไม่เป็นผู้ทุกปฏิปทานุตตริยาพ้นจากทุกวิมุตตานุตตริยะนี่คือทัศานาในชีวิตจริงๆทัศนานุตตริยะเห็น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 มันบูดไดของยากเก็บเก็บถองของนักเกิเป็นของบอูดเหมือนชิงคุกหลงเขาแต่ใบใบเหมือนชิงคูบขึ้นเขาง่งายที่จะหลงต่อไปต่อไปง่ายที่จะรู้นิดหน่อยก็รู้ได้เพราะมีสติมันนั่งก็มากทำแล้วมันมาก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 ในโลกนี้ชื่อว่าโลกนามออนเดียวกันหมดมีร้อนเหมือนกันม่หนาวเหมือนกันมีโกรธก็เหมือนกันกิเลสันหาก็เหมือนกันปวดใจเจ็บตายเหมือนกันกลัวไม่เที่ยงก็เหมือนกันกลวไม่ทุกข์ก็เหมือนกันคลไม่ใช่ตัวตนก็เหมือนกันเป็นฉาคนจึงเป็นชัดจจดธรรม ซึ่งจะเต้นสัจธรรมไม่ใช่สมมุตรบรริบัญญัติเป็นปรมารจักรเวรโกรเป็นสมมุตรบรริบัญญัติก็ไม่โกรเป็นปามารมตาจักรเราจะไปรับสมมุติไม่ได้ปรมัตรมันมีมันมีอยู่คมขืนไม่ได้จะบังคับไปโกรมันไปได้ไหมเป็นสมมุตรบรริบัญญัติ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 ต้องเอามาล่างเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะให้ลงเป็นเล่นที้โคนไม่ได้เจิงศกปกความหลงศกป ก, ปกเพื่อนความทุกข์ศกปกความโกรธความรักความชังศกปกไม่สานไม่เป็นอะไรเนี่ยคือโยกทางความรักถมืไม่เป็นอะไรก็มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเมตตากรุณามีโอกาสที่จะ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 ไม่มยขวางกันได้ก็เหมือนทะเลก็ทะเลวางลึกลงไปเหมือนทะเลลึกลงไปลึกลงไปตัวี้ทุรก็เห็นตบเห็นช็ชอดก็หลมโนโสกปฏิ ป, ปุตุใจ ค, ความาทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์คมเกิดเป็นทุกข์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 เเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสัญญาเเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสังขารเหมือนกัมันมันดื้่่่ป่่่นน่่่่่่่่่ญญ่่่่่่ยายา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตง่งอันต่างาจะเอาเพื่อความอยู่ของเขารูปก็จะรูปให้ได้เหตุนาเวทนาสัญญาก็จเจาสัญญาให้ได้ก็ยอมที่จะเก็บไปจนติดเป็นวิญญาณวิญญาณคือมันติดติดอะไรเพราะมันมีรูปมีเวทนาสัญ ญ, ญาดัเป็นทุก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 เหมือ น, นแบ่ออกเทิ้งไปก็ต ก, ตกที่เดียวชักแต่ ว, ว่าชักแต่ ว, ว่าง่ายเหมือนขอบกระดงชักแต่ ว, ว่าหยุดจักแต่ ว, ว่าเห็นชักต่ ว, ว่าได้กินชัต่ ว, ว่าได้ลดชักแต่ ว, ว่าเวทนาชักต่ ว, ว่าสังขารชักต่ ว, ว่าวิญญาณลูกแก่แง่งลู่ชัดหลอกไม่ได้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 ปฏิบัติธรรมประเพนีของคนไทยพอเป็นแปลดานี่ผู้บอกมีผู้สอนต่อกันป่าพอกันมาถึงยุคนี้สมัยนี้อันเดียวกันถึงที่เราสอนกันฉี้เตาทำอยู่ก็อันเดียวกันกับสมัยผู้ทธเจ้าอันเดียวกันหมดไม่หนีไปไหนมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนพระพุเจ้าเห็นทมแบบนี้จึงได้เชื่อพระพุทธเจ้า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 ลู ก, ลกเพื่อไหมทำไมเล็กๆสงไปกาสงไปประกาศพารานะศาสนาต่อมาอีกสองสาม้อยปีพระเจ้าสรงหลาล่าสงสำถงนาเสร็จแล้วสรงธรรมทูตไปเผยแร่ศาสนาะเ้าสายเมื่อถึงเหมือนไทย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 เราไม่เห็นความโกรธ็เห็นความโกรธไม่เห็นความหลงเห็นความออาหลงเจาะเอ๋เจาะเอ๋ความหลงเจาะเอควา ม, ค, วามคิดแต่ก่อนเป็นสุขเป็ทุกข์งพความคิดบัดนี้ไม่ต้องสุขต้งทุกข์พความคิดต็ดขาดในชาดนี่เอาละพอแล้วความคิดจะมาชังอะไรให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์มไม่ได้เราเป็นชีวิตตัวไม่เป็นไยนเรยก็มันเลยนี่คือชีวิต